เรื่องความพยาบาทได้มีท่านผู้หนึ่งตั้งปัญหาขึ้นว่าคําว่าเวนยอมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนนั้นน่าจะอย่างไรอย่างไรอยู่เพราะถ้าเราไม่จองเวนตอบก็จะเป็นการปล่อยศัตรูให้ได้ใจและคิดอ่านขมเหงเบียดเบียนเราหนักขึ้นทางที่จะระ ง, งับเวนได้จึงควรใช้วิธีอาฆาตพยาบาทเพื่อให้ศัตรูรู้ว่า เมื่อเขาข่มเหงรังแกผู้อื่นเขาจะได้รับตอบแทนอย่างสาสมเพราะฉะนั้นการอาฆาตพยาบาทจึงเป็นเครื่องทําให้ศัตรูคิดหน้าคิดหลังไม่รังแกใครง่ายๆปัญหาเรื่องนี้นับว่าน่าพิจารณามากเพราะเกี่ยวกับการตัดสินใจในการปฏิบัติตนให้เหมาะแก่เหตุการณ์ซึ่งทุกคนอาจประสบได้ในวันใดวันหนึ่ง ว่าเวรระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร น, นั้นข้าพเจ้าเห็นว่ามีทางพิจารณาได้เป็นสองประการคือพิจารณาตามพยัญชนะหรือเท่าที่ปรากฏเป็นถ้อยคําอย่างหนึ่งและประการที่สองพิจารณาตามอัฏฐคือตามความหมายชั้นในซึ่งเป็นเนื้อหาของพระพุทธศาสนาแท้ๆอีกอย่างหนึ่ง ประการแรกเวรจะระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรหรือด้วยความพยาบาทกันแน่ถ้ามองกันในแง่ศีลธรรมและความสงบแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่เราจะเห็นได้ว่าเวร น, นั้นระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรแน่นอนเราอาจจะถูกคนพูดเสียสีหรือด่าว่าให้เจ็บใจเราอาจจะถูกคนดูหมิ่นเยียดยามแต่ถ้าเรามีความอดกลั้นพอ ไม่ตกเป็นธาตุของความโกรธและความวู่วามแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะผ่านหายไปด้วยการทำเป็นไม่รู้เท่าทันหรือทำเป็นไม่ได้ยินของเรามองในแง่เสียเราอาจเสียหายบ้างในการถูกเขาว่าข้างเดียวแต่เป็นการเสียน้อยเพื่อแลกกับการไม่ต้องเสียมากเพราะถ้าเราไม่อดทนปล่อยให้เกิดการประหัดประหารกันขึ้นเราจะต้องเสียมากแน่นอนคนที่ไม่ยอมเสียน้อยนั้น ใ้เสียมากถึงขนาดเสียอวัยวะกลายเป็นคนพิการหรื อ, อยังแรงถึงกับเสียชีวิตไปก็มีเราจะเห็นได้ว่าบุคคลบางคนดูเหมือนจะมีเรื่องกังวลอยู่แก่การแก้เพดแก้แค้นหรือพูดจาโตตอบกับคนนั้นคนนี้อยู่เนืองนิดใครพูดจาแหลมมาเป็นต้องถูกโต้กลับไปอย่างสมใจถ้านึกไม่ออกในขณะนั้นก็ต้องไตร่ตรองหาคาพูด ที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจให้จงได้บางครั้งถึงกับนอนไม่หลับมีเรื่องเล่าว่าคนเจ้าเรือไปได้สองค้งน้ำแล้วพึ่งนึกคำโต้ตอบได้อุตสาเจ้าเรือกลับมาตอบเขาอีกคำสองคำแล้วจึงจากไปลองนึกดูก็ได้ว่าบุคคลที่ทำดังนี้จะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อใจเต็มไปด้วยเรื่องโกรธเคืองขุนแค้นคนนั้นคนนี้ คอยแต่จะต่อความยาวสาวความยืดตลอดเวลาเมื่อเทียบดูบุคคลผู้พร้อมที่จะให้อภัยคนอื่นผู้เกินบ้างเลยบ้างก็ไม่ถือสาหาความและบางทีก็อาจคิดสนุกสนุกไปจนว่าการที่ทนให้คนอื่นเขาเสียสีหรือว่ากล่าวเอาบ้างก็เป็นการช่วยให้เขามีความสุขได้อย่างหนึ่งได้ชื่อว่าทําประโยชน์แก่เขาด้วยทางอ้อมจะว่าเป็นการถูกด่าเปล่า ก็ไม่เชิงเป็นการเสียสละเพื่อความสุขของคนที่ชอบด่าอยู่บ้างเหมือนกันและถ้าคิดเทียบเคียงไปว่าคนขนาดเราก็ไม่ใช่วิเศษมาแต่ไหนจะถูกเสียสีว่ากล่าวบ้างไม่ได้เชหรือก็คนขนาดประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจยังถูกด่ากันโครมโครมแล้วเราเป็นอะไรจะมาถูกกระทบกระเทือนบ้างไม่ได้ แม้ในคดีโลกกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่สนับสนุนความพยาบาทอาฆาตคนที่ลุกอำนาจแก่โทษะประทุษร้ายร่างกายหรือโชคต่อยตีรันกันกฎหมายก็ถือว่าเป็นคู่วิวาทมีตัวบทลงโทษด้วยกันทั้งคู่ไม่ได้ยกเว้นให้เอาความพยาบาทขึ้นมาแก้ตัวเลยจะยอมให้แก้ตัวก็ต่อเมื่อเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวเท่านั้นยิ่งในการฆ่าคนตายยิ่งเห็นได้ชัดว่า กฎหมายลักษณะาอาญาเก่าลงโทษไว้สถานหนักแก่ผู้ฆ่าคนด้วยความพยาบาทมาดหมายด้วยประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันส่วนประมวลกฎหมายอาญาที่ออกใหม่พุทธศักราช2 4 9 9กล่าวว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนต้องระวางโทษประหารชีวิตอันแสดงว่าความพยาบาทหาได้ก่อให้เกิดผลร้าย แกศัตรูของเราเท่านั้นไม่แต่ได้กลับมาเป็นอาวุธประหัดประหารเจ้าของความพยาบาทนั่นเองด้วยเมื่อคดีโลกไม่สนับสนุนความพยาบาทแล้วคดีธรรมจะสนับสนุนได้อย่างไรเพราะเหตุนี้ผู้พยายามบรรเทาความอาฆาตพยาบาทจึงเท่ากับเป็นผู้หัดเสียน้อยจะได้ไม่ต้องเสียมากและประสบความทุกข์ความเดือดร้อน อันเกิดจากกรรที่ตนก่อขึ้นนั้นแม้จะไม่กล่าวถึงคนที่เสียชีวิตเพราะความพยาบาทของตนชักนาเราก็จะเห็นตัวอย่างอื่นอีกเช่นคนผู้อยู่ในคุกตารางต้องจองจำทําโทษเป็นสิบสิบปีหรือตลอดชีวิตเพราะทนต่อความพยาบาทอันเกิดขึ้นประเดียวเดียวไม่ได้จึงต้องไปทนอยู่ในที่คุมขังอันร้ายแรงยิ่งกว่าการทนประเดียวเดียวอย่างเปรียบกันไม่ได้ ประการที่สองที่ว่าเราอาจพิจารณาปัญหานี้ตามความหมายชั้นในซึ่งเป็นเนื้อหาของพระพุทธศาสนานั้นคือพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ไปคอยตัดเวรหรือระ ง, งับเวรเอาเมื่อเกิดขึ้นแล้วท่านสอนให้เรารู้จักระ ง, งับตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องหรือให้หาทางตัดไม่ให้เกิดเรื่องทีเดียวนั้นก็คือการสอนให้รู้จักวางตัวให้ดีให้คนอื่น แทนที่จะคิดด่าว่าเสียสีหรือข่มเหงรังแกเราแต่ให้เขากลับมาเคารพนับถือรักใครเพราะคุณงามความดีของเราเช่นท่านสอนให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจรจารู้จักช่วยเจรจาอ่อนหวานไพเราะรู้จักช่วยโวนขวายทำประโยชน์แก่คนอื่นไม่เห็นแกต่ตนทายเดียวและรู้จักวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายไม่กลับกลับกรอก เท่าดาทำดีต่อเขา้วยนำสายใจจริงเช่นนี้ก็เป็นการตัดมิให้เขาข่มเหงรังแกเราหรือมุ่งร้ายเสียสีดาว่าเราซึ่งเป็นการระ ง, งับเวรได้อย่างแยบคายที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความพยาบาทอาฆาตเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องตัดสินใจในการปฏิบัติตนให้เหมาะแก่เหตุการณ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในวันใด ว, วันหนึ่งข้างหน้าแล้วข้าพเจ้าเห็นว่า พระพุทธภาสิทธิที่ว่าเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรอันมีความหมายในทางให้บรรเทาความพยาบาทอาฆาตและมีความหมายในทางให้รู้จักทำตนให้เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วๆไปนั้นยังคงเป็นภาสิทธิ์ที่ก่อให้เกิดความสงบความสดชื่นและความร่มเย็นเป็นสุขแก่มนุษย์ทุกกาลสมัยไม่เฉพาะแต่ในเรื่องความพยาบาทเท่านั้น ที่พระพุทธศาสนาสอนให้เอาชนะด้วยความดีแม้ความไม่ดีอื่นๆจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็ควรเอาชนะด้วยความดีทั้งสิน้นทั้งนี้เพราะเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องสอนให้คนมีใจสูงไม่ปล่อยตัวไปตามอำนาจฝ่ายต่ำหมายเหตุผู้อ่าน และต้องมีลืมเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดคือพลังงานทางจิต ท, ที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันพลังงานทางจิต ท, ที่ตรงข้ามกันจะผลักกันออกจิต ท, ที่มีพลังงานดีสะสมไว่มากพอจะพาชีวิตไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีดึงดูดคนดีๆเข้าหาได้ง่ายจะทำให้คนไม่ดีไม่อยากเข้าใกล้ไม่สนิทใจในการครบหาด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดตั้งแต่เด็ก เช่นเด็กหน้าห้องกับเด็กหลังห้องนั้นจะรู้สึกมันไส้กันเองโดยหาเหตุผลไม่ได้ไม่อยากคบหาด้วยคนที่มีความชอบแบบเดียวกันหรือมีคุณภาพจิตใกล้เคียงกันก็จะเข้ากันได้ง่ายเป็นธรรมดาและชีวิตของคนเรานั้นจะมีความสุขความเจริญในหลายด้านได้ก็เนื่องด้วยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมเอื้อต่อจิตที่ผ่องใสได้ง่าย คนรักเพื่อนฝูงเจ้านายหรือลูกค้าที่ดีก็ยอมนำแต่ความสุขความเจริญทั้งทางกายและทางใจมาให้ได้ง่ายเช่นกัน